ชาวนี่เราลงมาศึกษาเรื่องลมหายใจที่เรสวดนะว่าปัจจุบันนี่เร า, เามีเขาเรียกมีเทคโนโลยีมีวิธีการใช้ลมหายใจเป็นประโยชน์ต่อการภาวน า, าหลายรูปแบบนะตามที่เราศึกษาในหลายในต่าง ซึ่งความจริงมันก็เป็นเรื่องเก่าๆที่เร า, เาทำกันมานานแต่ว่ามันขาดการจัดขบวนการในการใช้ลมหายใจว่าจะทำยางไให้ลมหายใจที่เราหายใจปกติเนี่ยให้มันมีประโยชน์ขึ้นมานทางนักววียศาสตร์นักภาวนาแล้วก็นักจิตวิทยา ก็เอามาเรื่องลมหายใจเนี่ยมาแซะซอยย่อยแยกกันให้เป็นกระบวนการมากขึ้นนะเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการาเรื่องสุขภาพบ้างเป็นประโยชน์ต่อการภาวนาบ้างร่านะงกายและจิตใจนะซึ่งก็ตามที่ตามศึกษาดูแล้วเนี่ยแต่ละคนก็จะมีแต่ละอาจารย์นันนะก็มีเทคนิคมีทฤษฎีทดสอบทดลองกันมาในหลายรูปแบบ ซึ่งก็ถ้าหากว่าเราเข้าไปศึกษาเรื่องนี้มันก็จะเป็นเรื่องของสมถะล้วนๆคือว่าด้วยเรื่องของรูปนะนะเรื่องกายเรื่องเวทนาเนะี่ยเป็นเรื่องของรูปอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องดูโครงสร้างหลักโดยที่ไม่ไปใส่ใจในเรื่อง อ, อนุพยัญชนะหรือรายละเอียดหรือปริกย่อยมากเกินไปจะทําให้เราไปยึดติดโดยมองข้ามในสาระหลักไป นะสาระหลักมันก็อยู่ตรงที่ว่าจะทำไงให้จิตอยู่กับปัจจุบันให้นานที่สุดให้ให้อยู่อย่างเข้าใจนี่แหละสาระหลักของมันแต่ถ้าหากว่าเราไปาแยกแยะแยกแยก่อยก oy, เกี่ยวกับเรื่องของวิธีการมากเกินไปโดยลืมสาระหลักเนี่ยมันก็จะไปติดในแง่ของสัญญา และวิธีการไปหาความดีความชั่วความถูกความผิดในวิธีการซึ่งมันไม่ใช่สาระหลักเหมือนเราทานอาหารเนี่ยเราไปให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องส่วนประกอบของอาหารว่าอันนั้นดีอันนี้ไม่ดีอันนี้อร่อยอันนี้ไม่อร่อยแต่ลืมสาระหลักมันคือค <c oughs> ุณภาพของอาหารและความอิ่มนะ น, นั่นคือ ตัวหลักของมันคือความอิ่มที่ไม่มีโรคไข้ไข้เจ็บมีกำลังแค่นั้นเนี่ยตัวหลักของมันแต่อาหารมันจะใช้อะไรเป็นวัตถุดิบก็ตามแต่ค่อยมันออกมากินแล้วมันอิ่มมันสบายมันปลอดภยัยมันมีกำลังก็ใช้ได้อันนี้งาการภาวนาเหมือนกันทหารพวกเราไปใส่ใจในสวนสาระหลังนี่เขาเรียกสาระไอ รายละเอียดเขาเรียกว่าสมถะนะแต่เราไปใส่ใจที่สาระหลัก <c oughs> คือผลของมันก็เลยเป็นวิปัสสนาดังนั้นเองก็ถ้าเราเข้าใจโครงสร้างอย่างนี้เนี่ยเราก็จะไม่ให้ความสาคัญส่วนใดส่วนหนึ่งมากเกินไปจนลืมส่วนที่เป็นประโยชน์อันเป็นสาระหลักหรืออัถะของมัน นั่นเองในแง่ของกายานุปัสสนาและเวทนานุปัสสนาก็พูดถึงเรื่องรายละเอียดในแง่ของสมถะคือเรื่องกายคือเรื่องรูปเนี่ยไว้หลายรูปแบบด้วยกันในส่วนกายท่านว่าไว้ได้หกูปแบบในส่วนเวทนาท่านว่าได้ถึงหลักๆของมันคือมีสามแต่ท่านนามาแยกมาเป็น ก้าวนะเวทนา9ซึ่งก็อันนั้นคือรายละเอียดของมันนะนั้นสาระของสมถะเรื่องกายเลื่อเวทนาท่านไปเ น, น้นย้ำตรงนั้นเพื่ออะไรเพื่อให้จิตกลับมาอยู่ปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันให้นานเมื่อจิตไปอยูจจ่นนานๆแล้วมันสงบนะเพราะฉะนั้นสมถะเ น, น้นที่ความสงบจะเป็นวิธีหรืออุบายใดก็ได้ที่ทําให้จิตกลับมาอยู่ปัจจุบันให้นาน แล้วก็ให้อยู่แบบเข้าใจแต่ไม่ใช่อยู่แบบประการจาใจหรือบังคับใจหรือสะกดใจหรือมีการไปใช้สัญญาต่างๆเข้ามาบังคับเช่นใช้บริกรรมพุโทโธสัมราหังหรือหนอเนี่ยเข้ามาสะกดให้จิตอยู่กับปัจจุบันบางทีมันก็ขาดความเข้าใจ ขอให้เพียงว่าจิตอยู่จะจะทํำยังไงก็ไดนะ้มันการเพ่งน้ําเพ่งไฟเพ่งลมเป็นการบริกรรมนั้น น, น, น, นี้เข้ามาเพื่อให้จิตมันมีไม่เพื่อผูกจิตเพื่อให้ผูกจิตอยู่กับปัจจุบันให้นานที่สุดนะเพื่อหวังจะให้จิตสงบให้มีกําลังซึ่งบางครั้งเราก็ไปให้ความสําคัญในเรื่องเหล่านั้นมากมายแล้วก็มาตั้ง กติกาถูกเถียงกันว่าทําอย่างนั้นถูกทำํำนี้ไม่ถูกนั่นแต่แต่ละวิธีการจริงแยกออกไปหลายสํานักหลายอาจารย์เพราะแล้วแต่ว่าใครคิดถึงวิธีการแยกย่อยแยกแยะวิธีการได้มากกว่าก็แยกไปตามนั้นโดยที่ไม่คํานึงถึงสาระหลักของมันนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราไปเสียเวลากับเรื่องของรายละเอียดแต่ที่แทนที่จะมาจับ ที่สาระหลักของมันว่าจะทํางานให้จิตนี้เกิดความรู้ตื่นเบิกบานมันเป็นสาละหลักของขอ ง, ของการภาวนาดังนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็พยายามที่จะประคองจิตให้อยู่กับกายอย่างรู้เนื้อ ร, รู้ตัวมันก็สงบของมันเองโดยที่ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องรายละเอียดมากนักว่าจะต้องหายใจแบบนั้นแบบนี้ซึ่งเฉพาะลมหายใจเองที่เราสวดมาก็แยกเป็นเท่าไหร่ ทั้งสิอย่างใช่ไหมตั้งแต่ว่าหายใจเข้าหายใจออกมีสติหายใจเข้าสั้นหายใจออกหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวมีสติหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นมีสติเเราสสังว่าอสาาสันสนตวราสสังอาสสามิติปัญญานติที่เราส่วนถึง16แบบนะซึ่งดูแลว้วบางทีสําหรับนักภาวนาที่จับเอาเรื่องสาระก็ดูว่ามัน มันมากเกินไปนะแต่นั้นท่านก็กําหนดไว้เพื่อผู้ผู้ต้องการศึกษาในรายละเอียดเพื่อไปป้องกันไม่ให้ถูกกล่าวหาว่าโมเมหรือมั่วอะไรแบบนั้นแต่มันมีหลักมีเกณฑ์ของมันอยู่ถ้าหากว่าใครมาบอกว่ามันเป็นเรื่องมั่วเรื่องโมเมเขาก็จะเอาหลักฐานออกมามายืนยันได้ว่านี่ไงตัวบทว่าว่าอย่างนี้นะ เรื่องหายใจสั้นหายใจยาวแล้วก็ต่อมาบอกว่าสาภาวะกายปฏิสังเวทีอาศิสามีติสิกติคืเอเป็นผู้รู้เฉพาะเพิ่มความศึกษาว่าเป็นผู้รู้เฉพาะซึ่งกายทั้งปวงขณะหายใจออกอแล้วก็ขณะาหายใจเข้าอันเดียวกันอนะรูพ้พร้เฉพาะซึ่งกายทั้งปวงขณะหายใจเข้าเป็นคู่เป็นคู่ตั้งคู่นะ่ยทั้งหมด8คู่มันก็16ไงวะมันก็16 ที่อันสุดท้ายที่เราสวด่ปฏินิสขานุปัสสีอาสัสิสามิติสิกติอันตแรกอาสัสิสามิติสิกติเพราะทางก็ซ้ำออกไปอันว่าปฏินิสขาสิสาปฏินิสานุปัสสีอาสัสิสามิติอสอ ส, อสิสามิติสิกติเป็นผู้คือเป็นผู้ที่ทความศึกษาว่าเป็นผู้สลัดคืนอยู่ขณะหายใจเข้าและขณะหายใจออก เนี่ยอันนี้คือรายละเอียดดังนั้นเองเมื่อเรารู้แล้วอย่างนี้เราก็มาใส่ใจในรายละเอียดได้มากกว่านั้นเช่นว่าเราเดินจงกรมมีรายละเอียดเยอะแยะรายละเอียดในการยกในการก้าวในการหยุดในการเดินมีความหนักความเบาเนี่ยเราก็ไปสนใจรายละเอียดในส่วนนั้นซึ่งบางทีถ้าเราสนใจรายละเอียดในส่วนที่เขา้าด้วยความเข้าใจเนี่ย มันก็จะมีรายละเอียดมากกว่าตัวบทที่ทันหวางเอาไว้สี่หรือบางทีเรายกมือสร้างจังหวะเนี่ยมันมีทั้ง14จังหวะเราก็ไม่สามารถบัญญัติออกมาเป็นภาษาบาลีได้ทั้งหมดมันเยอะแยะเกินไปใน14จังหวะนั้นมีเข้าเท่าไรมีออกเท่าไรมีหยุดเท่าไร่มีนิ่งเท่าไรเนี่ยเวลาเราเวลาเรายกเราก็ใส่ใจในรายละเอียดแบบนี้การที่เราใส่ใจในรายละเอียดแบบนี้เรียกว่าเป็นการดึงจิต เข้ามาสู่ปัจจุบันโดยเข้าใจไม่ได้เป็นการบังคับไม่ได้เป็นการสะกดไม่ได้เป็นการบีบคั้นนะแต่เป็นการเอาเข้าเอาออกอย่างเข้าใจการที่จิตเข้ามาอยู่กับณปัจจุบันอย่างรู้ขบวนการขั้นตอนการเข้าการออกกันไปการมากันคู่กันเหยียด การแลกการเหลียวกันก้มกันเงยด้วยใส่ใจเข้าไปนี่แหละนี่คือการวิธีให้จิตมาท่านชินคาว่าใส่ใจหรือเอาใจใส่ตามภาษาไทยเราคือหมายความว่าในรายละเอียดต่างๆที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราใส่ใจลงไปในขบวนการขั้นตอนลักษณะนี้เรียกว่าเข้าใจหรือเรียกว่าวิชาวิชาเราก็ ทำไมเราจึงทำจุดนี้ก็เพราะว่าการที่เราอยู่กับสิ่งนี้มาตลอดชีวิตเราไม่เคยใส่ใจเข้าไปในรายละเอียดเรามีแต่ส่งจิตออกไปข้างนอกอเราเราเอาไม่ใส่ใจเข้าไปเราเอาใจออกห่างกันถึกการที่เอาใจออกห่างต่อรายละเอียดเหล่านี้เขาเรียกว่าวิชา คือหมายความไม่ตามผู้ไม่ตามเข้าใจไม่ตามใส่ใจสีที่กําลังเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในกายเนี่ยการที่เราเอาจิตออกไปจากสิ่งเหล่านี้เรียกว่าอวิชชาแต่การที่เราเอาจิตเข้ามาใส่ใจต่อรายละเอียดสิ่งเหล่านี้เรียกว่าวิชาเนี่ยตัวนี้เป็นต้นต้นเขา่าเพราะในขณะที่ภาวนาอยู่มันไม่ไม่ใช่จะยกมืออย่างเดียวมันเกิดขึ้นใช่ไหมมันมีง่วงให้เห็นใช่ไหม มันมีหายใจเข้าหายใจออกมีปวดมีเมื่อยมีเบื่อมีเซ็งมีชอบไม่ชอบมีสนุกไม่รายละเอียดมันไม่ใช่บางทีถ้าเราใส่ใจจริงไม่ใช่ยกมือเท่านั้นนะมันมีรายละเอียดลึกลงไปกว่านั้นอีกแล้วทําไมต้องง่วงละ่ะบางครั้งสงบบางครั้งอยากอยากับบางครั้งอยากจะตื่นทําไมไมันจึงมีสิ่งเหล่านี้ขึ้น การใส่ใจเข้าไปเข้าใจในสิ่งเหล่านี้มันเป็นการภาวนาแล้วเราต้องการอะไรต้องการให้มันง่วงหรือต้องการให้มันตื่นต้องการให้มันเห็นชัดหรือว่าต้องการให้มันเบลอเบอต้องการให้มันสงบหรือต้องการให้มันตื่นรู้อะไรเนี่ยมันก็จะรู้จักเลือกสาระขึ้นมาไม่ใช่มั่วๆไปในแต่ละเวลานาทีเรียกว่าวิชา แต่พอเรามาใส่ใจต่อสาระเหล่านี้ได้ละเอียดขึ้นได้ ล, ลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นจิตของเราก็อย่างลึกลงไปในรายละเอียดเหล่านั้นการที่จิตอย่างลึกเข้าไปทั่วถึงเราเรียกว่าสติสมัมปชัญญะนะแล้วก็นอกจากนั้นเวลาเรานั่งไปนานๆทำไปนานๆรายละเอียดมั น, มนไม่ใช่อยู่แค่ยกมือหรือเดินจงกรมมันมีเจ็บมีปวดมีเมื่อยมีขัดมียอกมีคันมีร้อนมีหนาวปรากฏอีก เราใส่ใจในสิ่งเหล่านี้ชัดไหมเนี่ยนี่เขาเรียกว่าสัมปชัญญะการเข้าไปใส่ใจอย่างทั่วถึงชัดเจนนี่เองเรียกว่าสัมปชัญญะซึ่งเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญานะอันนั้นเองตรงนี้ถ้าเราเน้นย้ำกันบ่อยๆในขณะที่เราภาวนาก็ดีในขณะที่เราทำกิจกรรมการประกอบอาหารการอาบนา้ำชำระตัวการซักผ้าเสื้อซักผ้กาการแต่งเนื้อแต่งตัว อะไรเหล่าเนี้ซึ่งมันมีรายละเอียดเยอะมากในชิวจวันของเราพระพุทธเจ้าท่านเลยเห็นว่าโอ้ตัวนี้เองจะเป็นอุปกรณ์ภาวนาทำให้เกิดปัญญาได้ง่ายอาจาจะทํายังไงที่จะกระตุ้นให้คนทั้งหลายให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยมาเห็นความสําคัญเรื่องนี้ท่านก็ตรัสถึงอ น, นิสงส์ว่าเยอะแยะมากมายใช่ไหมอ น, นิสงส์ว่าผู้ใดมาทําอย่างเนี้ยตั้งแต่ หนึ่วันถึง7จ็ดวันตั้งแต่7วันถึงเจ็ดเดือตตดนติดเดือ น, นถึง7ปีถ้าใครมาใส่ถ้าใครมาใส่ใจในสิ่งเหล่านี้มากน้อยกว่ากันใครใส่ใจสิ่งเหล่านี้มากไ ล, ละเอียดได้ลึกะจะเข้าถึงคุณธรรมสองประการภายใน7วัน2ประการนั้นคืออะไรหนึ่งเข้าถึงความเป็นพระอรหันต์ในปัจจุบันชาตินี้หรือเมื่ออุปาทิคือสังโลกคือกิเลสยังเหลืออยู่ก็เข้าถึงความเป็นพระอนาคามี นี่ท่านตัดยินยันเอาไว้นะแล้วพอการมาใส่ใจในรายละเอียดเหล่านี้เรื่งกายเรื่องใจเรื่องรูปเรื่องนามรายละเอียดลึกลงไปลึกลงไปลึกลงไปจนบัญญัติออกมาเป็นชั้นเป็นเป็นชั้นเป็นชั้นชั้นรายละเอียดก็เรื่องของจิตสงบจิตไม่สงบจิตสงบเบื้องต้นยังมีอะไรอยู่ยังมีวิตกวิจารณจิตสงบ ถ้ามกลางมีอะไรอยู่ยังมีความพอใจไม่พอใจจิตสงบสูงสุดมีอะไรจิตมันนิ่งมันมีอุเบกขาเนี่ยนี่แง่ของสมถะท่านประหยัดผลออกไปอย่างนั้นแต่งแง่ของวิปัสสนาท่านก็กำหนดให้เป็นฌานเป็นยานสามยานเก้ายานสิบหกออกมาอีกเนี่ยเห็นไหมผลออกมาเป็นรายละเอียดซึ่งอันนี้แหละสิ่งที่เราทำเล็กๆน้อยๆเ่าเนี้ยมันมีผลแต่ว่า เราไม่ต้องไปใส่ใจที่ผลนะใส่ใจที่เหตุว่าเราทำถูกไหมทีนี้ถ้าหากว่าคนยังไม่ไม่มีความเข้าใจยังไม่ศรัทธาที่จะทําเนี่ยทําไปมันก็เบื่อไปเซ็งไปเพราะอะไรเพราะมันเกิดการเปรียบเทียบถ้าเปรียบเทียบในทำเราไปทํากับสิ่งที่เป็นวัตถุจับต้องได้เนี่ยเราก็เห็นกระบวนการขั้นตอนความสําเร็จที่ชัดเจนใช่ไหมเช่นเวลาทํางาน เวลาขณะทำเราก็เห็นผลทําแล้วเราก็เห็นผลเช่นทํากับข้าวเอาผลออกมาคือมีข้าวมีอาหารกินเนี่ยมันแค่ทํากับวัตถุมันเห็นกระบวนการขั้นตอนเห็นความสําเร็จชัดเจนแต่พอมาทํากับสิ่งที่เป็นนามธรรมเราไม่เห็นผลเห็นกระบวนการขั้นตอนชัดเจนเร า, เาไปเปรียบเทียบกันเราก็เกิดความเบื่อว่าเอ๊ะทำวันนั้นมันออกมาสําเร็จไปนล้วเป็นขั้นตอนสัมผัสได้แต่นี้ทําไปทําไปไม่รู้สัมผัสได้แค่ไหน ผลออกมาเป็นยังไงไม่รู้เราก็เกิดยังไม่เกิดศรัทธาที่จะเข้าใจสิ่งนี้ได้นะตอนนั้นเองการที่เราเข้าศึกษาและปฏิบัติมันมีส่วนทำให้เราเกิดความเข้าใจนะเข้าใจในสิ่งที่เป็นชีวิตที่มันมีการเกิดขึ้นเกิดตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใช่ไหมในแต่ละขณะเนี่ย เราเราได้สังเกตว่าอะไรเกิดขึ้นในการในใจเราบ้างถ้าหากว่าเราไม่มีการฝึกฝนเรื่องสติสัมยะขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่มีตัวที่จะเข้าไปดูเข้าไปรู้เข้าไปเห็นอาการนรายละเอียดเหล่านี้นะดังนั้นเราก็ฝึกสติสัมยะขึ้นมาเพื่อเข้าไปดูเข้าไปพิจารณานะที่เราสวดมาเมื่อกี้เห็นไหมว่าเมื่อรู้การทั้งปวงเราเป็นไง สภกายะปฏิสังเวทิบทต่อมาท่านบอกว่าปฏิสัมพยังกายยสังขารังอสัชิสามีติสกติเธอพึงมความคือพึงความศึกษาว่าเป็นผู้รู้จะเป็นทำทำความทำทำให้กายทั้งปวงสงบระงับอยู่ปฏิสัมพยังกายสังขารังทำกายยสังขารทําการปรุงแต่งกายที่มันมีอาการต่างๆให้มันสงบระงับในส่วนที่มัน ปรากฏออกมาเป็นเป็นอาการที่สบายบ้างไม่สบายบ้างทําให้มันสงบระ ง, งับอเนี้ยในรายละเอียดอย่างเงี้ยเราที่เราทให้สงบระ ง, งับเป็นไหมสมมติ้ราปวดขาอย่างเงี้ยจะทําให้การปวดขาสงบระ ง, งับเป็นไหมเรื่องง่วงทําให้การสงบระ ง, งับกับความง่วงได้ไหมหรือวเวอราเบื่อทําให้ความสงบทําให้ความเบื่อสงบระ ง, งับได้ไหมหรือเราเราเราขี้เกียจจะทําความสงบระ ง, งับ หรือทําความคิดเกียนให้สงบระ ง, งับได้ไหมเนี่ยเห็นไหมในรายละเอียดอย่างเงี้ยเราต้องใส่ใจแต่ถ้าเราทําไปทําไปโดยที่ไม่ใส่ใจที่จะจัดการกัสิ่งเหล่านี้ไอ้บทที่สวดมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเหมือนกันนะมันเป็นตัวบทเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าในส่วนไหนที่เป็นเหตุเกิดทุกท่านบอกให้ทํามันสงบระ ง, งับไปในส่วนไหนที่จะทําให้เหตุ ด, ดับทุกข์ทําให้ผกข้อคูนสั่งสมเรื่องนั้นให้มากขึ้น แล้วก็รักษาให้มันชัดเจนมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นในรายละเอียดเนี่ยให้แต่ละคนเนี่ยใช้สติปัญญาของใครของมันในการจะพิจารณาให้เห็นรายละเอียดต่างๆบางคนก็จะเห็นมากบางคนก็จะเห็นน้อยบางคนอาใส่ใจศึกษาดีบางคนไม่ใส่ใจศึกษาในรายละเอียดเพราะฉะนั้นในผลที่ปรากฏออกมาท่านจึงแบ่งระยะเวลาของการเข้าถึงหรือเข้า เข้าใจผลของมันถึงตั้งแต่หนึ่งวันถึงเจ็ดปีไงว่าเราใครจะรู้ในเข้าใจรู้เข้าใจชัดเจนในในเวลาใดช่วงหนึ่งวันถึงเ็ดปีเนี่ยที่พุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าเราหปียกว่าก็ได้ห้าปีสี่ปีสามปียกไว้ก็ได้แม้แต่เจ็ดวันถึงหนึ่งหนึ่งวันถึงเจ็ดวันเนี่ยที่เราไปสวด ดังนั้นในการประรบเรื่องนี้อยากจะให้เข้าใจว่าคำว่าใส่ใจเนี่ยมีความหมายมากในการภาวนาแต่ถ้าในแง่ของสมถะเราไม่ได้ใส่ใจเราพยายามทำใจให้มันสงบไม่อยากจะไปรับรู้อะไรเนี่ยอันนั้นในสมถะถึงไม่ต้องการที่จะไปใส่ใจจะทยังทำ ย, ยังไงก็ได้ให้จิตมันสงบระงับให้จิตมันสบายเราก็ไปทาในจุด น, นั้นเขาเรียกว่าสมถะ แต่พอในแง่ของวิปัสสนาท่านให้ใส่ใจเพื่อจะให้เกิดความเข้าใจเป็นปัญญาความเข้าใจว่าเมื่อจิตมาใส่ใจเรื่องนี้แล้วจิตเกิดการตื่นรู้และเบิกบานของมันเองมันจะสงบหรือไม่สงบก็าตามแต่ขอให้มันตื่นรู้และเบิกบานเป็นใช้ได้นี่คือว่าการใส่ใจมันมีผลให้เกิดความตื่นรู้เบิกบาน การใส่ใจแห่งแง่ของสมถะมันมีผลให้เกิดความสงบระงับการใส่ใจของนนในแง่วิปัสนามันก็ให้เกิดความตื่นรู้เบิกบานเราจะเอาแบบไหนก็ได้บางครั้งจิตไม่สงบก็ต้องใส่ใจแบบสมถะบางครั้งจิตมันสงบแล้วก็ต้องใส่ใจแบบวิปัสนาให้ตื่นรู้เบิกบานถ้าจิตยังไม่สงบก็ใส่ใจแบบสมถะให้มันสงบระงับไว้ก่อนเนี่ยที่เรามาที่เรามาศึกษาเรื่องนี้เพื่อสิ่งนี้เท่านั้นนะ แต่ก็อยากจะให้ใส่ใจมากขึ้นไปอีกไม่ใช่ใส่ใจตอนที่เรามาปฏิบัติใส่ใจในเวลาทำกิจกรรมอย่างอื่นด้วยการลุกการนั่งการย่างการเดินการเข้าห้องน้าการถ่าอุจจาระปัสสาวะการอาบน้ำการซักผ้าการกินการดื่มนะท่านเรียกว่าในอิริบทย่อยให้ใส่ใจไปถึงขนาดนั้นนะเพื่ออะไรเพื่อให้เราเกิดวิชาเกิดปัญญาเกิดแสงสว่าง ที่ท่านสวดในธรรมจักรจะขงอุทัปปะทาณังอุทัปปิปัญญาอุทัปปะวิชาอุทัปปะอโลกูอุทัปปิถ้าเราใส่ใจสิ่งเหล่านี้ในรายละเอียดมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันจะเกิดดวงตาท่านว่าจะขงอุทัปปิพราะยายลดเกิดดวงตาหรือยังนั่งหลับลูกเดียวพอใะยาลดโอ้ได้ยินหลวงพ่อพูดไหม mm hmm. ได้ยินแต่เงาะงอกเงามันจะเกิดประโยชน์อะไร เมียหลวงพ่อผูหนึ่งที่กระพาะกรรมฐานที่ภาคอีสานท่านขณะที่ท่านบรรยายทําท่านเห็นใครนั่งง่วงท่านจะจับอันนี้แข้งเลยะเพี้ยงเลยเพราะเราปลุกให้ตื่นด้วยกันโยมคนนั้นถ้าติดอารมณ์ก็หนีไปเลยเพราะนั้นในขณะที่หลวงพ่อพูดอยเหมือนกันหลวงพ่อชํารวดดูว่าใครตั้งใจฟังไม่ฟังถ้าใครไม่ตั้งใจฟังก็ปลุกให้ตื่นเดี๋ยวก่อนไม่งั้นมันเสียเวลาทั้งคนฟังและคนพูด อะนนั้นเองอันนี้ก็เหมือนกันนะไอการที่ตั้งใจเนี่ยไม่ใช่เหงางอกงๆ ก, ก, กอยู่ในการฟังมันไม่ได้ประโยชน์อะไรต้องปรับว่าความรู้สึก ง, ง่วงก็พูดถึงอยู่ใช่ไหมมันมีนอาการอย่างไรเอาใส่ใส่มันไหมทําไมมันจึงง่วงนั่งไปเราแช่เราไม่ปลุกไม่ไม่เปลี่ยนไม่ขยับขยื่ยนเดี๋ยวมันก็ง่วงอีกงอกๆๆลงไปอีกแต่บางคนอินทรีย์หรือระบบประสาทความพร้อมของร่างกายไม่พอ พยายามจะตื่นตัวเท่าไรก็ยังง่วงอยู่ดีอันนี้ก็เรียกว่าเป็นวิบากกรรมแล้วฟังธรรมะเราไม่เข้าใจเพราะว่าติดแค่นิวรมก็ต้องยอมรับล้วก็ต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขร่างกายของเราเพราะร่างกายของเราที่มันไม่พร้อมพออะไรมันมีโรคภัยไข้เจ็บเยอะขินไปกินมากขึ้นไปนอนมากขึ้นไปสนุกมากเกินไป พ อ, อมาปฏิบัติธรรมมันก็เลยไม่เ อ, อื้อมันมีแต่ ง, ง่วงแต่ ง, ง่ว ง, ง, แ, ต ง, ง, แ, ต ง, งแต่เบือ่อแต่เซง็งขี้เกียจก็ทําให้ไม่ได้ผลเท่าที่ควรการปฏิบัติธรรมก็ไม่ก้าวหน้าปฏิบัติมากี่ปีกี่ปีก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอบางคนบางท่านถึงก็บอกว่านี่ผมปฏิบัติอีกสองปีถ้าผมไม่รู้ไม่เข้าใจผมจะสึกแล้วอันนี้ก็แสดงว่าไม่เข้าใจเหมือนกันผมจะไปแล้ผมจะเลิกละอะไรทำนองนี้ จการปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่เป็นเรื่องจะต้องให้จบวันวันนี้ให้รู้วันนั้นวันนี้อยู่ที่ว่าเราใส่ใจปฏิบัติถูกต้องไหมถ้าใส่ใจปฏิบัติถูกต้องแล้วเนี่ยมันไม่มีเวลาที่จะวันนั้นรู้วันนี้รู้มันรู้ตลอดเวลาแต่จะรู้มากรู้น้อยขึ้นอยู่กับสติปัญญาของเราผู้ศาสนาเป็นศาสนาของคนมีปัญญาไม่ใช่ของคนที่ไม่มีปัญญาเป็นศาสนาของคนมีศรัทธาไม่ใช่เป็นศาสนาของคนไม่มีศรัทธา เป็นศาสนาของคุณมีความเพียรไม่ใช่ศาสนาของค <t art> ุณไม่มีความเพียรเป็นศาสนาของคุณมีสติไม่ใช่ le le le เป็นศาสนาของคุณเลอะเลือนเป็นศาสนาคุณมีสมาธิคือมีความตั้งใจไม่ใช่เบื آ, ่อเบลอหลงเป็นศาสนาของคุณมีปัญญาไม่ใช่เป็นคนงงเง่าเตาตุนอะไรนะนั้นนี่คือพุทธศาสนาสําหรับคนอย่างนั้นสําหรับคนมีศรัทธามีความเพียรมีสติมีสมาธิมีปัญญา เพราะฉะนั้นพอเราไม่ได้ลงรายละเอียดหรือแยกย่อยในสิ่งเหล่านี้ก็ทํามั่วๆนแล้วก็รับรองผลไม่ได้ดินี่พอชาวต่างศาสนาเขามาเห็นอว่าชาพูดสอนให้เกิดปัญญาทําไมเป็นคนเลอะเทอะเลอะเรือนแบบนี้ล่ะทําไมเป็นคนไม่เอาไหนไม่เอาทานแบบนี้ล่ะเขาก็ตําหนิได้ผู้ศาสนาก็จเจริญรุ่งเรืองไม่ได้เพราะอะไรเพราะคุณปฏิบัติไม่ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นศาสน า, าคนมีศรัทธา เป็นคนมีความเพียรเป็นคนมีสติสมธัธิปัญญาแค่ไหนไม่ได้พิสูจน์ให้เขาเห็นนะเราก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะยังขี้เกียจเหมือนเดิมยังเบื่อเหมือนเดิมยังงงเงาเหมือนเดิมยังไม่พัฒนาวังเกิดศาสนาของเราก็เจริญไม่ได้นะดันั้นก็ต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นนะว่าเออมันเกิดปัญญาจริงๆชีวิตดีขึ้นร่างกายดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นจีใจ เข้มแข็งมากขึ้นสุขภาพเข้มแข็งมากขึ้นพิสูจน์ให้เขาเห็นนะก็คือต้องปฏิบัติอย่างจริงจังนะในช่วงหลังนี้แตมาหลวงพ่อก็เลยเรียกว่าเข้ม ง, งวดออ ก, กันนักปฏิบัตินักปฏิบัติคนไหนตอนสมัครเข้ามาเนเราก็ดูเลยนะว่าคนไหนตั้งใจไม่ตั้งใจคนไหนไม่ตั้งใจใหคุณกลับไปบ้านก่อนก็แล้วกันบอกกันอย่างขันเลยนะ คุณกลับไปบ้านกันอะไกันคุณมาเราไม่ตั้งใจคุณก็เสียเวลาฉันก็เสียเวลาเหมือนกันเพราะงั้นอย่ามาเสียเวลาตรงนี้เลยถ้าคุณกลับไปบ้านาคุณอาจจะไปทําการทํางานอะไรได้ดีเยอะแยะคุณมานั่งหลับนั่งง่วงนั่งเหงานั่งเบือ่อนั่งขี้เกียจอยู่ตรงนี้คุณไม่ได้อะไรฉันก็ไม่ได้อะไรเหมือนกันะะนะบางคณก็ยอมบางคนก็โกรธกันไปเลยนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเ น, นี่ยมันก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราพูดรับผิดชอบในสิ่งที่เราพาทําว่าจะต้องมีผล ว่าเออมีผลดีออกเป็นอย่างนี้นะเขาเรียกมีความรับผิดชอบอแล้วนั้นก็เช่นเดียวกันการปฏิบัติมันจะได้ผลดีหรือว่ามันจะไดะ้ผลไม่ดีอย่างไรเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะขึ้นอยู่กับวันกับเดือนกับปีนะโอ้ปฏิบัติเท่านั้นไม่รู้ก็เลิกละอันนี้เรียกว่าคนไม่มีปัญญาแต่คนมีปัญญาก็าจะใส่ใจในการศึกษา ว่าทำไมมันจึงง่วงทำไมมันจึงเบื่อทาไมมันจึงขี้เกียจสาเหตุมาจากอะไรทำไมมันจึงเจ็บแำไมมันจึงปวดทำไมมันจึงเกิดความคิดไม่ดีทำไมมันจึงเกิดราคะโทสะโมหะหาสาเหตุใส่ใจหาสาเหตุมันเข้าไปเนี่ยมันถึงจะรู้ผลได้ว่าทำไมมันจึงเกิดพุทธเจ้าที่สอนที่เหตุ เราไปใส่ใจที่จะผลว่าจะได้อย่างนั้นอย่างนี้กี่วันกี่เดือนกี่ปีแต่เมื่อไม่ใส่ใจในเหตุของมันว่าทําไมมันจึงเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีมันก็ไม่ได้ผลนะนะดังนั้นก็จึงอ่าลงรายละเอียดแบบนี้เพื่อให้เราได้เข้าใจนะเพราะบางทีการปฏิบัติทั้งวันเราไม่ได้พูดกันเลยมันก็จะทําให้เราไม่เข้าใจเพดังนั้นช่วงเช้าเราพูดกันไว้ก่อนในรายละเอียดอย่างเงี้ยในกลางวันใครก็จะมาตร ติดตามดูอีกทีว่าใครทําถูกหรือไม่ถูกแล้วค่อยเตือนกันไปคนคุณไปถ้าคนทําไม่ถูกก็นั่งง่วงอยู่นั่นเดี๋นั่งเบื่อนั่งเหงานั่งขี้เกียจนั่งฟุ้งซ่านเออแสดงว่าทําไม่ถูกแล้วหลวงพ่อผู้รับผิดชอบอยู่เข้าไปบอกเออเนี่ยทํางี้ให้มันตื่นนะอย่านั่งง่วงนั่งเหงานะอย่านั่งขี้นั่งปุ้มนั่งแต่งก็จะบอกอีกทีหนึ่งนี่ก็เรียกว่าช่วยกันนะเพราะฉะนั้นช่วงเช้านี้ก็จะเตือนกันไว้แค่นี้บอกกันไว้แค่นี้นะเพื่อว่าส่วน จะไปตามประกอบอาหารผนะู้ที่อยู่ปฏิบัติตรงนี้ก็ปฏิบัติไปถึงโน้นนะถึงเวลาอาหารเสร็จเวลาไม่ครัวก็จะมาบอกใช่ไหมไม่ต้องไปเสียเวลาฟุ้งซ่านอยู่แถวนะั <c> ้น <oughs> นั่งประยุบ์บทเพื่อมันจะได้ <c oughs> ใช้เวลาให้เป็น ป, นะประโยชน์นะปฏิบัติไปถึงเวลาเอาไปรับประทานรับประานเสร็จก็ทําท่าส่วนรัวก็ปฏิบัติต่อนะอันนี้ก็เป็นก็ขอนโมทนาสาธุในช่งชวงเช้านี้ ที่เราได้ศึกษาในรายละเอียดร่วมกันนําไปพิณิพิจนาใช้ให้มันเกิดประโยชน์เพื่อเราจะได้มีเสียเวลาให้เกิดมาเราก็จะไม่ได้เสียชาติเราจะได้รับประโยชน์หรือความสุขความสบายความรู้ตร้งความเบิกบานตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนเอาไว้ด้วยกันทุกคนทุกท่านเทิน